เรื่องที่สองสิทธิผู้ตามส่งอาจารย์นิทานสองเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ล้วนกล่าวถึงเด็กๆที่ถูกห้อมล้อมด้วยบรรยากาศในวัดของเซนครั้งโบราณทำให้เราได้คิดทีเดียวว่า การประพฤติปฏิบัติตัวทุกีิริยาบทภายในวัดของทุกคนแม้แต่วิธีพูดจาวิธีส่งภาษาก็เพื่อตล่อมให้เข้าถึงเซนทั้งนี้เป็นเหตุให้ลูกเด็กๆมีโอกาสแสดงแววและมีแนวโน้มแห่งอุปนิสัยไปตั้งแต่เล็กแต่น้อยช่างส่อถึงศิลปะแห่งการเป็นอยู่ ในชีวิตประจำวันโดยมีรมหรือเซนอยู่ติดตัวทุกอิริยาบถทุกคนภายในอารามล้วนอยู่ด้วยแรงของสันติอย่างส ง, งีม่มนิ่มนวลเชิญฟังดูเถอะเรื่องแรกฟังแล้วอาจขันแต่ลงท้ายด้วยขำเรื่องหลังฟังดูคมขำ แต่ลงท้ายด้วยขันในญี่ปุ่นมีเรื่องที่ชอบเล่าอย่างชื่นชมยินดีกันมาทุกยุคนับแต่สมัยอาชิกากะมาจนทุกวันนี้คือเด็กน้อยอิขายุติดตามมารดาไปวัดตั้งแต่อย่างเล็กหลวงพ่อเจ้าวัดท่านก็เรียกไปใช้สอยใกล้ชิด วันหนึ่งเช็ดพื้นไปปัดเอาถ้วยชาอย่างดีราคาแพงของอาจารย์ตกแตกอิคยุเด็กน้อยรู้สึกตกใจมากเพราะรู้แน่ว่าถ้วยอย่างนี้แพงหาไม่ได้อีกแล้วในเมื่อขาดชุดไปในจิตใจของเด็กๆ ก, ก็เหมือนเหมือนกับเราท่านทุกคนเในครั้งยังเป็นเด็ก คือเคยทําของมีค่าตกแตกเสียหายมาบ้างแล้วลองนึกดูเถิดว่าในคราวอย่างนั้น oh. เด็กธรรมดาก็ยอมจิตใจว้าวุ่นคิดอุบายหลบกเลี่ยงหรือหนีปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ทําแตกเหมือนกันหมดแต่เด็กชายอีกขยุค น, นี้ไม่มีโอกาส นิ่งอึ้งคิดหาหนทางแก้ตัวนานนักเพราะขณะนั้นได้ยินเสียงฝีเท้าของอาจารย์เดินเข้าห้องมาพอดีถ้าเป็นเด็กอื่นหากถึงคราวจวนตัวไม่รู้จะทำประการใดเช่นนั้นก็จะร้องไห้โฮล่วงหน้าเพื่ออุทธรให้ถูกเคียนน้อยหน่อยแต่เด็กชายอีขยุ ค, คนนี้ กลับกระวีกระวาดลุกขึ้นยืนมือทั้งสองถือชิ้นกระเบื้องถ้วยชาซ่อนไว้ข้างหลังตาจ้องอยู่ที่อาจารย์ผู้กำลังนั่งลงบนอาสนะก่อนที่อาจารย์จะสังเกตอะไรผิดปกติเด็กชายอีกขยุก็เข่าคุกเข่าต่อหน้าขัดจังหวะเอาไว้ก่อนที่อาจารย์จะเอื้อมไปเรินชาขึ้นซด ทั้งทั้งที่มือทั้งสองก็ยังซ่อนอะไรไว้ข้างหลังไม่ให้อาจารย์เห็นท่านอาจารย์ชะงักเหลียวมาดูไอ้หนูน้อยด้วยใบหน้าละไมเป็นปกติเด็กชายอิคยุเห็นหน้าอาจารย์ก็แน่ใจว่าอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงถ้วยชาแตกเมื่อครูน่นี้ทำให้เกิดปฏิพานขึ้นบัดนั้น เรียนถามปัญหาธรรมะต่อท่านอาจารย์ท่านใดว่าหลวงพ่อฮะทำไมคนเราเนี่ยจึงต้องตายทุกคนไม่เว้นใครเลยฮะลูกเอ๋ยนั่นมันเป็นธรรมชาติธรรมดาหลวงพ่อตั้งต้นชี้แจงโดยซื่อไม่เฉลียวว่าเด็ก ทำไมเกิดจะมาถามธรรมะเอาตอนนี้ท่านกล่าวเรื่อยไปอีกว่าบรรดาสรรพสิ่งไม่ยกเว้นสิ่งใดถึงที่ถึงคราวย่อมร่วงหล่นม้วยมอนตายไปอย่างเที่ยงแท้มิได้ตั้งอยู่นานเด็กชายอิขยุจ้องดูตาท่านอาจารย์อยู่ไม่หวาง ฟังอาจารย์ชักนําให้รู้ความเป็นไปของสังขารอยู่จนจบเลยยื่นแบเศ ถ, ถ้วยชาแตกในมือให้อาจารย์ดูพร้อมกับทำหน้าเศร้าเอ่ยว่าถ้วยชาของหลวงพ่อนี่ก็เหมือนกันฮะถึงคราวมันตายเสียแล้วความข้อนี้ คนทั้งวัดเสสวนเฮฮากันไปทั่วเมื่อเล่าสู่กันฟังทุกคนได้เห็นแววปฏิพานของเด็กเล็กๆรู้จักนำความรู้ที่ได้ยินได้ฟังผู้ใหญ่เขาพูดจาสนทนาธรรมกันมาใช้แสดงเฉาไหวไหวพริบเข้ากับเหตุการณ์จวนตัวเห็นป่านนั้นแต่ในสมัยแร ก, แรก ก็ยังไม่มีใครคาดฝันว่าเด็ก น, น้อยนี้ในเวลาต่อมาจะกลับกลายเป็นท่านทยานาจารย์อีขยุผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายเซนในสมัยที่ท่านโตบวชเป็นพระแล้วตัวลูกศิษย์องค์นี้กลายเป็นผู้บรรลุธรรมก่อนอาจารย์หู่เท่าเสียอีใช่แต่เท่านั้น ตัวหลวงพ่อภูเทาเองก็ไม่เคยนึกมาก่อนว่าเด็กน้อยที่เคยทำถ้วยชาของท่านแต่นี้จะกลายเป็นครูสอนวิธีตายให้ท่านเองขณะที่ท่านกำลังจะดับจิตเรื่องที่เล่าต่ออีกในการเวลาระยะหลังตอนใกล้สิ้นอายุไขของหลวงพ่อภูเทาว่า ครั้งนั้นขณะที่หลวงพ่อสำรวมจิตจวนจะทํากาลกิริยาอยู่นั้นท่านอาจารย์ใหญ่อิขยุก็คลานเข้าไปกราบเรียนถามหลวงพ่อว่ากระผมต้องบอกขนทางให้หลวงพ่อไหมครับหลวงพ่อยังมีสติดีอยู่ตอบแผ่วๆว่า ฉันม้าก็ม้าแต่ลำพังผู้เดียวเวลาจะไปเกาไปแต่ลำพังผู้เดียวเจ้าจะมาช่วยอะไรได้เล่าพอดีท่านอาจารย์อิขยุก็ตอบขึ้นด้วยถ้อยคำว่าหากหลวงพ่อนึกว่าหลวงพ่อเกิดแล้วหลวงพ่อต้องตายจริงๆแล้ว นั่นยังถูกบทบังหุ่มห่อด้วยความไม่รู้อยู่อีกนะครับถ้าอย่างนั้นผมจะบอกทางให้หลวงพ่อหลังทางที่ไม่ต้องเรียกว่าเกิดไม่ต้องเรียกว่าตายไงล่ะหลวงพ่อพอสิ้นประโยคถ้อยคำสำคัญยิ่งของลูกศิษย์ หลวงพ่อก็อพริมดับไปนิทานก็จบจากเรื่องราวที่เล่านี้เราท่านยอมทราบแล้วว่านิทานเรื่องนี้ทั้งหมดมันมาขโมวดปมขมขายที่คำบอกหนทางให้แก่คนใกล้จะตายนิดเดียวแต่ถึงกระนั้น ก็ถือว่าเป็นคำพูดที่มีค่าแท้จริงสำหรับอาจารย์ผู้เทาผู้จะลาลับไปถอยคำที่พูดให้ถูกกาละไม่กี่คำในสภาพการนั้นๆต่อบุคคล น, นั้นๆขนาดฉับพลันนั้นๆย่อมไม่อาจเกิดผลแก่คนอื่นที่อยู่ในสภาพอื่นเวลาอื่น แต่ก็เป็นข้อความที่น่าสนใจฟังไว้บางทีจะเกิดประโยชน์อย่างน้อยก็เพียงรู้ว่ามันลึกก็อย่างดีที่จะลึกไปแค่ไหนนั้นเราควรมาวิเคราะห์กันตามแต่กำลังความคิดเห็นที่สิบเสนอตัวเข้าไปถามหลวงพ่อทํานองอย่างความรู้ ในขณะท่านใกล้จะตายเสียก่อนนั้นเป็นวิธีทั่วทั่วไปของอาจารย์เ็นเพราะคนเราระยะหนึ่งระยะหนึ่งมิได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพียงสิ่งเดียวเป็นอารมณ์สิทธิจึงถามนำเพื่ อ, อย่างภาวะจิตดูก่อนว่ากระผมต้องบอกขนทางให้ไหมครับหลวงพ่อ พอหลวงพ่อตอบมาจึงเหมือนกับทาให้สิทธิ์รู้ว่าหลวงพ่อกําลังคิดนึกรู้สึกต่อสิ่งทั้งปวงในขณะใกล้จะตายว่าอย่างไรเมื่อรู้ภาวะกาลแล้วสิทธิ์ก็เริ่มบอกทางเอาจริงๆแต่บอกแบบทันควันถ้าฟังเผลอๆก็เหมือนโต้ตอบธรรมดา หรือไม่เป็นการสอนชี้บอกแต่อย่างไรหลวงพ่อตอบออกมาว่าฉันมาก็มาแต่ตัวขาไปก็จะไปแต่ตัวจะให้ใครมาช่วยได้คำพูดอย่างนี้ตรงกับความรู้ธรรมะที่สอนสอนสวดสวดกันสำหรับเหล่าชาววัด ใครก็ถือว่าเป็นวิธีบริกรรมคราวพยายามจะปรงทุกสิ่งทุกอย่างแม้ฝ่ายเทรวาทในเมืองไทยเราก็สอนกันอยู่ทั่วไปคือสอนมิให้เป็นห่วงเป็นใยจนเป็นเรื่องรบกวนต่อการตั้งสมาธิจิตเวลาใกล้จะตายส่วนพวกพุทธศาสนาอย่างเซนนั้น เขายังถือว่าขณะดับจิตถ้ายังมีตัวคนสําหรับจะมาตั้งปรารถนาใครจะปรงว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของกูนั้นยังไม่พอยังไม่ถึงขั้นปลอดภัยท่านอาจารย์อกคยุจึงรู้ว่าภายในดวงความคิดของหลวงพ่อผู้เท่าขณะนั้นยังมีตัวตนที่ได้เกิดมา มีตัวที่พยายามจะปรงเมื่อตอนเองต้องตายฉะนั้นท่านจึงฟื้นพลิกความรู้สึกริบหรีของหลวงพอ่อให้จับเงาแห่งความรู้สึกเสียใหม่คือหนทางอีกลักษณะหนึ่งโดยเตือนว่าไม่ใช่ทางที่มีคนเกิดมามีคนกำลังเดินอยู่และกำลังจะไป แต่เป็นทางที่ไม่ถือว่ามีการเกิดและแน่ละถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่ต้องมีการตายคือตายเสียก่อนแล้วก่อนที่มันจะดับจิตตายไปเมื่อหลวงพ่อถอนความรู้สึกภายในเสียทันสับหัวประแจเข้ารางใหม่เรื่องมันก็เป็นอันเสร็จกิจ พระราชจะต้องพอวงอะไรมิได้มีด้วยประการาชนี้ดูเอาเถิดทา่ทานทั้งหลายข้อความเป็นไปในนิทานนี้เขาชี้นิดเดียวตรงความหมายอันสำคัญยิ่งคือที่ว่าให้ตายเสียก่อนตายซึ่งนิทานนี้คงจะให้ความกระจ่างมากอยู่ คือตายคำแรกหมายถึงดับความรู้สึกส่วนลึกประจําใจที่ว่าเรานั้นซึ่งอาจเรียกชื่อว่าว่างจากตัวตนหรือใช้คําพูดว่ามีสุญญาตาเป็นอารมณ์ของจิตก่อนที่จิตจะดับวิบไปเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ด้วยอาการหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเกิด มีพบมีชาติอีกของคนที่ทำได้เช่นนี้ก็คือพระอรหรันต์ประเภทชีวิตะสมศีสีนั่นเอง